อย่างในสูตรนี้เนี่ยนะบอกว่าบุรุษบุคคลเนี่ยมีธาตุหกบุรุษบุคคลเนี่ยมีอยู่จริงไหมเป็นอวิชามาเนนะใช่ไหมเป็นอวิชามานะเนี่ยนะแปลว่าไม่มีอยู่จริงธาตุหกมีงเพราะฉะนั้นบุรุษบุคคล น, นี้เป็นบัญญัติธาตุหกนี้เป็นประมัิ แต่ถ้าไม่พูดอย่างนี้ขึ้นต้นด้วยธาตุหกเลยเนี่ยเราจะไปนึกที่ไหนเราจะนึกที่ไหนธาตุหกปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุมันไม่ไม่ไหนเกือ้อกูลต่อการไปปฏิบัติอะไรเลยแต่ถ้าพูดว่าคุณหมอนี่มีธาตุหกหมอนี่เป็นเป็นอะไรบัญญัติธาตุหกเป็นปรมาตถแต่ในที่นี้ก็ยังยังไม่บอกตําแหน่งด้วยนะก็บอกว่าเออชายหญิงบุคคลทั่วไปเนี่ยมีธาตุหกนะ แต่ละคนแต่ละคนมีาธาตุหกกันนะถ้าอย่างนี้มันมันทนต่อการไปเพ่งนะบุคคลนี้เป็นเป็นโวหารที่เอาไว้คุยกันแล้วก็าธาตุหกนี้ก็เมื่อเมื่อเมื่อมีการแยกแยะจำแนกไปแล้วเนี่ยนะอันนี้แปลว่าเป็นวยากรน ะ, นะว่าโดยสิ่งที่มีอยู่ มาเนนะกับมาณ์เนี่ยนะก็เณนะตะติยาวิพัฒก็คือมาณ์กับถ้าใส่วิพัฒลงไปก็เป็นเณนะเพิ่นพระองค์นี้แสดงทั้งบัญญัติและประมามัติควบคู่กันไปสิ่งที่พูดเนี่ยมีอยู่เท่านี้แหละ ทั้งหมดนะแต่ว่าหลักการเขามีแบบนี้ให้รู้หลักการแบบกว้างๆว่ า, วาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนทั้งสประการเลยทั้งสิ่งที่มีไม่มีอยู่โดแสดงแบบทั้งมีอยู่ไม่มีอยู่เนี่ยแสดงควบคู่แปล ว, ว่าทั้งบัญญัติล้วนๆก็มีอย่างข้อนี้ก็คือบัญญัติควบคู่กับประมัติใช่ไหมอันนี้ก็ บัญญัติควบคู่กับประมาตอีกนะเนี่ยเรือแล้วแต่จะเอาอะไรขึ้นก่อนนะบัญญัติก่อนประมัติก่อนหรือประมาติก่อนบัญญัติก่อนก็เหมือนกันส่วนอันนี้ก็หมายถึงประมัต์ล้วนๆเลยวิชามานีนะวิชามานะบัญญัติส่วนอวิชามานีนะอวิชามานะบัญญัติอันนี้เป็นบัญญัติล้วนๆเลยพระองค์ก็สอนทั้งหมด น, นะนะก็ดังปล่าว่าวัตถุประสงค์การสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าบรรลุมรรคผลไม่ได้มุ่งจะบอกว่าชั้นเนี่ยเป็นกลุ่ม ปรมชั้นนี่กลุม่มบัญญัติไม่ได้ต้องการอย่างนั้นต้องการว่าเมื่อสื่ออย่างนี้ไปแล้วบรรลุมรผลได้ไหมเท่านั้นเองคืออ่านแล้วเนี่ย ก, ก็ไม่รู้สึกว่า เป็นของที่จะต้องมาเพ่งปรมัตหรือบัญญันเนี่ยท่านุกพงบอกว่าบุคคลมีมีธาตุใช่ไหมฮะมีธาตุหกใช่ไหมฮะ ก, ก, ก็ก็บุคคลก็มีธาตุกอะยังไงครับมันยังไงครับผมก็ฟังดูกม็มันก็เข้าใจเลยครับ ตรงนี้เนี่ยนะท่านแยกให้ดูก่อนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาแสดงธรรมก็ไม่ได้ละเลยบัญญัติเนี่ยนะไม่ได้ละเลยบัญญัติอะไรซึ่งก็พูดทั้งบัญญัติกับปรมัตน์ควบคู่กันไปเพราะจุดประสงค์จริงๆในระดับสูงต้องการสอนปรมัตน์เพราะว่าบัญญัติล้วนๆเฉยๆเนี่ยนะเพราะบัญญัติเนี่ยส่งข้อลงอริยศาสตร์ได้ไหมไความจริงสัตว์เนี่ยมีอยู่ สัตว์และดับสัตว์อย่างเงี้ยนะพูดอย่างนี้ได้ไหมเป็นมิจฉาทิถีทันทีเพราะว่ามี ม, มีมีตัวมีเรามีเขาลงไปเลยไม่เที่ยงใช่ไหมคืออย่างอย่างที่บอกว่าสมมติถ้าพูดคำนี้นะสองคำคำนี้ว่าสัตว์มีอยู่ความดับสัตว์ก็มีอยู่เนี่ยนะ อะไรจะเกิดขึ้นนะสัตว์มีอยู่และความดับสัตว์เขาบอกว่าคำว่าทุกมีอยู่กับความดับทุกเนี่ยนี่ยมันก็มันก็แตกต่างกันแ่ะสัตว์นี้จริงๆก็เป็นถ้าถ้าเป็นสัตว์ปั๊บเนี่ยจะเข้ารัฐที่อัตราทันทีเลยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ไม่วิเคราะห์อะไรเนี่ย ว่าเป็นอัตานี้มีอยู่เพราะนั้นปฏิบัติเพื่อดับอัตตากับทุกมีอยู่กับปฏิบัติเพื่อดับทุกนเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าคําว่าสัตว์ปั๊บเนี่ยจะนึกไปถึงทุกขสัจจะอนี่ไหมถ้าใช้คําว่าสัตว์นะจะไม่นึกไปหาทุกขสัจจะแต่ทุกขสัจจะนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นเป็นสัตว์ ส่วนความดับทุกข์อันนี้หมายถึงนิโรธสัจจะนั่นก็ถ้าจะแสดงแต่บัญญัติลุน้ลนๆไปเลยก็ผู้ฟังก็ไม่แน่ว่าจะเข้าใจดังที่ประสงค์หรือเปล่านะก็เลยแสดงควบคู่กันไปนั้นเช่นว่าสัตว์ปฏิบัติเพื่อดับสัตว์ความดับสัตว์อันนี้พูดไม่ได้เลย แต่บอกว่าทุกมีอยู่ความดับทุกมีอยู่ทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็แสดงแต่ทุกกับความดับทุกเนี่ยนะไม่ได้แสดงว่าสัตว์กับความดับสัตว์ถ้าแสดงความดับสัตว์พวกนี้เป็นอุเฉทวาต ท, ทันทีถ้าแสดงอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิเนี่ยปฏิเสธทุกมีอยู่สัตว์ไม่มี ผู้เสวยทุกก็ไม่มีอันนี้เอาแบบสูงสุดไปเลยนะคือสัตว์โลกนี่มันยุ่งจริงๆะนะมันต้องใช้คำให้มันถูกถูกเจกถูกใจเขาอะไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมันจะเยอะเดี๋ยวเขาจะเสียหายอีกอะนะนี่ในเหตุผลอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงสิ่งที่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มีหมายถึงประมัตินะนะโดยอาศัยสิ่งที่ไม่มีคือบัญญัติจึงตรัสอย่างนั้นก็ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสละบัญญัติว่าบุรุษตรัสว่าธาตเท่านั้นแล้ววางพระหฤทยัยกุลบุตรก็จะเพ่งทําความสนเทศถึงความงงวยไม่อาจเพื่อรับเทศนาได้ถ้าขึ้นต้นนะเอธาตุหกเนี่ยปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุ เขาจะนึกไปที่ไหนนะเอออะไรว่าธาตุหกปฐวีธาตุอาจจะนึกถึงดินใช่ไหมที่ไหนก็ไม่รู้อาโปธาตุนึกถึงน้ําทะเลเลยวาโยธาตุนึกถึงพายุเตโชธาตุหมายนึกถึงไฟลุกเพลิบๆที่ไหนก็ไม่รู้อากาศธาตุโนนดูท้องฟ้าไอวิญญาณธาตุมันลอยไปอยู่ตรงไหนกันนี้ถ้าขึ้นต้นเฉยๆโดยที่ไม่กล่าวว่าบุรุษบุคคลมีธาตุหกเนี่ยนะถามว่าผู้ฟังนึกไปที่ไหนก็นึกเรื่องตัวทั้งหมดเลย แต่บอกว่าบุรุษบุคคลมีธาตุหกรับเนี่ยเออในร่างกายของบุรุษเนี่ยนะถ้าแยกไปเป็นสภาวะแล้วได้ธาตุหกประการออท่านพูดถึงตรงนี้ผมนึกขึ้นมาได้ที่ที่บางแห่งเพ่งปรมติมากมากพูดแต่ปรมตณเรื่อยๆนี่นะฮะเลยทำให้เห็นปรมตินี่มันห่างตัวเหลือเกินและเป็นอย่างนั้นจริงๆครับสมัยนี้มีพูดถึงว่า เขาเพ่งเล็งเรื่องอภิธรรมมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมครัก็เลยดูห่างตัวจริงจริงนัจริงๆก็กลายเป็นคิดแต่เรื่องห่างตัวแล้วปทวีธาตุนึกถึงอะไรสภาพที่แข็งแข็งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเออประมาที่แข็งแข็งเออใช่เออแข็งเออและที่ว่านมันอยู่ที่ไหนอาโปธาตุเอบอาบเนี่ยนะนึกอยู่ที่ไหนมันนึกเรื่องนอกตัวซะส่วนใหญ่แต่บอกคนเราเนี่ยนะมันมีธาตุหกนะ มันจะนึกภายในนะฮะแล้วค่อยๆแยกสิ่งที่มีอยู่ใ apply, ab, layout, upload, นภายในว่าประกอบไปด้วยปฐวีธาตุเตอาโปธาตเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศะธาตุและวิญญาณธาตุแล้วยังปฏิเสธห้ามพูดว่าเราอีกครับนี่มันเสียหายหลายอย่างนะครับลึกลงไปนะครับพูดเราไม่ได้ครับเอาไว้เอาไว้พูดตอนไม่ได้สนทนาธรรมยังไงรู้ไหมว่าพูดเราเพราะถ้าพูดเรานี่ถือว่าเนี่มีตัวตนเข้าไปทำแล้ว อย่างดูข้อความที่เป็นพุทธพจน์นะว่าถ้าไม่แสดงอย่างนี้เนี่ยผู้ฟังเขาจะงงสนเทสก็แปลว่างงอ่ะนี่สงสัยงงงวยไม่อาจจะรับเทศนาได้สรุปพระองค์ประสงค์จักประกาศอริยสัจก็เลยไม่เป็นอันรู้อริยสัจกันละเนี่ยนะโมดแต่งงอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงทรงละบัญญัติว่าบุรุษโดยลําดับสักว่าบัญญัติเนี่ยนะว่าสัตว์หรือบุรุษบุคคลเท่านั้น ค, คือค่อยๆแสดงเพื่อให้ค่อยๆละทีละขั้นทีละขั้นไปใช่ไหมตอนแรกแสดงว่าเป็นสักก่อนแต่เถ้าว่าโดยเป็นสักเนี่ยเท่าแยกแยะโดยประมาสทิเนี่ยชื่อว่าสัตว์ไม่มีก็เลยทรงวางพระไทยในธรรมะสักว่าธาตุเท่านั้นตรัสไว้ในอนังข้าสูตรว่าเราจักให้แทงตลอดผลสามมันเมื่อค่อยๆแสดงแยะอ่าเรียกว่าอะไรนะแสดง ให้มันอยู่ในตัวภายในก่อนมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นบุรุษเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นเนี่ยนะแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อแยกแยกออกมาแล้วก็คือเป็นประมัิคือธาตุหกหรือขันห้าหรืออายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอะไรก็ว่าไปคื อ, อถ้าสอนอย่างถูกต้องอย่างพระพูทธภาพเนี่ยพระองค์จะนําไปสู่การการเข้าถึงประมัดเนี่ย โดยวิธีนี้ถูกไหมครับเจนพรัแต่ว่าถ้าสอนผิดไปประการนี้เนี่ยนะฮะก็ก็ตั้งใจจะนำผู้ฟังเนี่ยไปสู่ปรมัติก็จริงนะฮะแต่ว่าไม่ได้สอนตามแนวนี้คือเราก็มาเน้นถึงว่าผู้ที่มีปฏิสัมพิธาเป็นเบื้องหลังกับไม่มีเนี่ยแตกต่างกั น, กกนคือการกล่าวธรรมของพระตถาคตอรหันตสั ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยแทงเข้าถึงธรรมธาตุเคยได้รู้ไห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 ปัญญาที่แทงตลอดทุกกับนิโรธเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาปัญญาที่แทงตลอดสมุทัยกับมรรคเป็นธรรมปฏิสัมพิทาพระองค์เนี่ยแทงตลอดธรรมะแทงตลอดสัจจะสี่ประการพระองค์ทราบซึง้งเข้าใจในสัจจะสี่ประการอย่างลึกซึง้งพระองค์ก็เอามาแสดงโดยที่ไม่ขัดเนี่ยนะไม่ขัดเลย คำพูที่แสดงออกมานั้นเรียกว่าเป็นนิรุติปฏิสัมพิทาั้นถ้อยคำของผู้ที่มีนิรุติปฏิสัมพิทาจะไม่ให้ขัดกับอัฏะกับธรรมะอะไรเลยมันเมื่อพระองค์แสดงอย่างนี้เนี่ยนะผู้ที่ฟังก็อย่างปุกุสาติก็บรรลุอนาคามีผลได้ใช่ไหมตอนจบในตอนท้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีความสามารถดุจอาจารย์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 คนที่รู้หลายภาษาแล้วพยายามแปลกลับปลกลับมาแล้วพยายามเข้าถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดยังไงกับคํานั้นๆเนี่ยนะในธาตวิพังคสูตรนั้นธาตหกของบุคคล น, นั้นเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นจึงชื่อว่ามีธาตหกของใครสรุปธาตหกของใครคุณมุจชูอ๋อเหรอโอ้ลึกซึ้งขนาดนั้นด้ะนะครับของเราก่รเนี่ยนะอย่าเพิ่ง ละอะไรไปให้หมดเลยนะเดี๋ยวจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยนะมียธิบายว่าท่านย่อมจําบุคคลได้ว่าบุรุษบุคคล น, นั้นน่ะมีธาตุหกเนี่ยนะก็ในที่นี้โดยปรมัตก็มีเพียงธาตุเท่านั้นก็คําว่าปุริโสบุรุษเนี่ยนะบุรุษเนี่ยหรือคนเนี่ยเป็นบัญญัติส่วนธาตุหกเป็นปรมัต อันนี้ก็เป็นคำขยายว่าทาไมพระพุทธเจ้าจึงขึ้นต้นด้วยคำว่าบุรุษบุคคลนี้มีธาตุหกหรือว่าคนเรานี้มีธาตุหกนั่นแหพันธาวิเคราะห์ตามเออคนเรามีธาตุหกพอวิเคราะห์ไปแล้วก็เห็นธาตุหกจริงๆอ่ะนะก็ตามที่พระผู้มีพระพาทรงแสดงกลับมาดูบาลีในหน้าส3 6ข้อหที่พระผู้มีพระภาขยายต่อไปว่า ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุคนเรานี้มีธาตุหนั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุธาตุนี้มี6อย่างเห็ในไหมตอนแรกบอกบุคคลก่อนใช่ไหมอันนี้ละบุคคลไปเลยเหลือแต่ธาตุซึ่งเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงก็ปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนพิกษุ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 ขยายที่เรียกว่าบุคคลโดยาธาตุหกอย่างที่สองจำแนกบุคคลแบบภาษายตนาหกก็เป็นการทำยาตะปริญญาสองวิธีการด้วยกันนะอันนี้คือยาตะปริญญาไงถ้าคาเหล่านี้ก็เพราะเป็นการจำแนกปฏิเสธศาตว์อยู่แล้วก็เหลือแต่าธาตุหกเหลือแต่ภาษายตนะหก ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุคนเรานี้มีความหน่วงนึกของใจ18นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคําว่าความหน่วงนึกของใจนี้เรียกว่าเป็นมโนปวิจารเนี่ยนะมโนปวิจารณิบแว่าบุคคลเห็นรูปด้วยจกักษุแล้วย่อมหน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสหน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสหน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาก็ตรงนั้นเขาเขาเข า, เขาพิมพ์ขยันพิมพ์มากอนะเกินแต่หน่อยก็เอาออกบ้าง ฟังเสียงด้วยโสต ด, ดมกลิ่นด้วยคานะลิมรสด้วยชิวหาถูกต้องโพธิภพด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจเนี่ยนะย่อมหน่วงนึกธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสน่วงนึกธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขานี้เป็นการหน่วงนึกโสมนัสหโทมนัสหกอุเบขา6 ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุคนเรานี้มีความหน่วงนึกของใจคือมโนปวิจารสิบแปดนั่นเราอาศัยความหน่วงนึกนี้กล่าวแล้วเนี่ยนะอาศัยมโนปวิจารกล่าวแล้วคุณมีฟังเข้าใจเลยใช่ไหมไอ้มโนปวิจารความหน่วงนึกของใจสิบแปดแสดงว่ า, าไปด้วยกันได้ พะถ้าเข้าใจหมดมันก็ไม่รู้จาระที่บายอะไรเหมือนกันน่ะเนาะฟังอะไรก็รู้ไปหมดเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าชอบอย่างงี้น ะ, ะมนโนปวิจารสิบแปดอ่ะนะ พ, พอเขาแปลออกมาเราก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจเลยใช่ไหมมัน วิจารนี่ตรงนี้แปลว่าความน่วงนึกของใจถ้าพูดวิจารณ์ที่ใดวิต ก, ก็พูดแล้วอนะมโนปวิจารก็คือวิตกวิจารณ์ของจิตน่ะสิบแปดสิบแปดมันได้ยังไงอนะเห็นรูปด้วยจักสุใช่มอ่นะหลังจากเห็นรูปด้วยจักสุเนี่ยใจก็มัน่วงนึกอ่นะมโนปวิจารเนี่ยอาศัยรูปที่ที่เคยเห็น หรือกำลังเห็นอยู่ก็ตามใจก็มานหน่วงนึกกับรูปอันนี้เป็ดแล้วก็เกิดโสมนัสเกิดโทมนานัสเกิดอุเบกขาเนี่ยนะกยงงย็ยังไงใช่ไหมคืออาศัยรูปที่เคยเห็นนึกแล้วก็ดีใจนึกถึงแล้วก็เสียใจนึกถึงแล้วก็เฉยเฉยอ่า น, นะ นางที่พูดบ่อยๆ อ, อุปมามากๆก็คือสมว่ามีลูกเห็นไหมตอนที่นึกถึงลูกตอนมันสุขภาพดีเยี่ยมดีใจนึกถึงตอนเขาป่วยก็เสียใจบางเวลาก็นึกแล้วก็เฉยๆซึ่งคุณนงเป็นอย่างนั้นไหมนึกถึงลูกบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็ไม่สบายใจะนะเรียกว่าเสียใจก็คือไม่สบายใจเช่นตอนเขาป่วยเป็นต้นบางครั้งนึกแล้วก็ธรรมดาเนีย่ยนะอันนี้นี่รูป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 นึกแล้วก็เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็อุเบกขาอุบโ ก, การแล้วก็เห็นง่ายดีนะเนี่พอบอกโอ้โหได้ถูกมากเลยนะ่ไหดีใจมากเลยนะใช่ไหมดีใจมากโอ้โหพอหาของถูกได้ขนาดนี้ดีใจที่ถูกพอบอกว่าถูกต้มมาหรือเปล่าเนี่ยตกใจเลยใช่ไหมตกใจเนี่ยวูบเลยนะเสียใจเลยนะเห็นแล้วไม่โสมนัสเลย ทุกวันนี้นึกแล้วก็เฉยเฉยใช่ไหมมาเก็บใส่ตู้ไว้ก็เฉยเฉยนะจกขู่วิญญาณไม่ได้สัมผัสเลยก็เก็บไว้แล้วอย่างดีก็เลยอุเบกขาเพราะถือว่าเป็นของเราไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเสียงลนะ่ะเสียงที่รู้ด้วยหูก็เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสและอุเบกขานะก็คาพูดเนี่ยนะก็เสียงของคนพูดเนี่ยนะที่ที่ใครพูดก็ตาม แม้กระทั่งคนเดียวกันเนี่ยนะเขาพูดไหมบางครั้งเราฟังแล้วก็โสมนัดใช่บางครั้งฟังแล้วก็โทรมนัดบางครั้งฟังแล้วก็อุเบกขาเหมือนกับในคมพีที่ที่พูดถึงว่าไม่ได้ยินเสียงเนี่ยแทบจะนอนไม่หลับเลยยางไงอยากฟังมากตอนหลังได้อยู่ด้วยกันเขาด่าทุกวันเลยเนี่ยนะโทรมนัดมาก <laughs> <laughs> ไปพ้นตาตีอ่ะ <laughs> นะตอนแรกอยากฟังมากเลยนะโทรคุยกันประจาเลย ไม่ได้ยินแล้วเงามากตอนหลังถูกด่าทุกวันเนี่ยนะก็บอกอุ้ยลำคาญจริงๆเลยเมื่อไหร่จะเลิกพูตตี้อย่งนั้นเยตอนหลังก็ฟังฟังไปอย่างนั้นอย่างนั้นให้มันจบจบไปอ่างนั้นพวกเสียงทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้นะกลิ่นก็เหมือนการรถก็เหมือนการพอธภาคก็เหมือนกันแม้กระทั่งธรรมรมณ์ที่เรานึกถึงนะเรื่องบางเรื่องนึกแล้วก็ดีใจใช่ไหมบางครั้งนึกแล้วก็เสียใจบางทีนึกแล้วก็เฉยๆอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีนึกถึงตัวบ้านแล้วก็ดีใจบางครั้งนึกแล้วก็เสียใจ บางครั้งนึกแล้วก็เฉยๆงั้นสิ่งเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวก็โสมนัดบ้างเดี๋ยวก็โทมนัดบ้างเดี๋ยวก็อุเบกขาบ้างพูดอย่างนี้เนี่ยต้องการอธิบายว่าคนเนี่ยไม่ต่างจากสิ่งที่แปรปรวนประจํานะมีปกติที่แปรปรวนประจําใช่ไหมเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉยๆถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามโนปวิจารสิบปดเนี่ยนะก็ที่มันเป็นสิบแปเพราะอารมณ์หกนั่นเอง อารมณ์หเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามนึกแล้วเดี๋ยวก็ยิ้มบ้างเดี๋ยวก็เสียใจบ้างเดี๋ยวก็เบคขาบ้างเนี่ยนะก็ที่แบบบุคคลทั่วๆไปเห็นๆเลยก็เกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็นึกถึงเรื่องอดีตใช่ไหมก็อดีตกับปัจจุบันเนี่ยนะโดยมากนะเพราะสิ่งที่เป็นอนาคตมันไม่ค่อยแน่นอน หรืออย่างนี้ก็ได้อดีตอนาคตปัจจุบันนี้ก็ได้อดีตปัจจุบัน อ, า น, น, อ, จจ น, อนาคตเนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยตอนนึกถึงอดีตโทรมนัตเลยนึกถึงปัจจุบันโสมนัตอนาคตอีกโทรมันัตอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าอนาคตอาจจะอุเบกขา ก็เวลาเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะในในในบางคนเนี่ยพอเห็นการปั๊บนะันึกถึงอดีตปั๊บจะเศร้าเลยนะไหสมมติเห็นปัจจุบันก็จริงอยู่คิดเรื่องปัจจุบันถ้าเผลอแวบไปคิดถึงอันนี้รูปนะยกตัวอย่างว่ารูปรูปเนี่ยถ้านึกถ้านึกถึงแค่ปัจจุบันใช้เฉยจะจะโสมนัสมากถ้านึกถึงอดีตเมื่อไหร่ก็เศร้าเนี่ยนะพอคิดถึงอนาคตเอเมนเฮ เดี๋ยวก็ดีใจบ้างเดี๋ยวก็เสียใจบ้างเดี๋ยวก็โสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบขาบ้างก็ในในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะคํามารูปอันนี้ก็คนน่ะนะพูดง่ายๆบางคนเนี่ยนะพอเหตุถ้าเห็นแค่ปัจจุบันเนี่ยโสมนัสพอย้อนหลังไปคิดเรื่องอดีตของเขาปับ๊บโทมนัสในบางคนเนี่ยถ้านนึกถึงอนาคตเนี่ยคงจะดีขึ้นนะนะคาดว่าถ้าดีขึ้นถ้าแนวโน้มมาดูว่าดีขึ้นโสมนัสใช่ไหม ถ้าดูแนวโน้มว่าเลวลงความช่ความดีมันเลวลดๆดลดล ด, ลดอะย่างี้ก็โทร ม, มานัดใช่ไหมหรือถ้าทรงๆอยู่งั้นก็เป็นอุเบกขาพวกนี้จ ะ, ะเวทนานุปัสนาเนี่ยดีเยี่ยมถ้าวิคถ้าดูตามนี้นะว่าคนเรานี้มีธาตุหก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 นี่เมื่อธาตุหเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งภาษายตนาหเพราะว่าภาษายตนาหเนี่ยมีธาตุเป็นเป็นเหตุใกล้อย่างเช่นจักขู่ธาตุหรือจักขวายตนาเนี่ยนะจักขู่สัมผัสเนี่ยนะโดยเฉพาะตัวจักขูน่นีมีธาตุเป็นเป็นปัจจัยนะเป็นเหตุใกล้เพราะธาตุสี่เป็นเหตุใกล้ของจักขู่ของโสตคานะ ชิีวหากายะส่วนส่วนที่เป็นนามธรรมก็เป็นมโนโใช่ไหมทีนี้จักขู่อันนี้เนี่ยพอได้เห็นรูปที่ดีนะเห็นรูปที่ดีอะไรเกิดโสมนัสเกิดเห็นรูปที่เลวโทมนัสก็เกิดถ้าเห็นรูปปานกลางทั่วไปก็ อุเบกขาก็เกิดท่านไออุเบกขาตรงนี้เนี่ยเรียกว่าโสมนัตโทมนัตอุเบกขานี่เรียกว่ามโนปวิจารเห็นไหมก็ไล่มาตามทวารเนี่ยทวารนะสามพวกนี้เรียกว่าแสดงเป็นรูปกรรมฐานในสายนเนี่ยนะธาตุหกภาษายตนะ6พวกนี้เน้นไปที่รูปกรรมฐานมโนปวิจารณิบแนี้เป็น อารูปกรรมฐานเป็นนามใช่ัหมก็เป็นการแสดงนามธรรมาว่าพวกจักขุไอคำว่าดีเลวปานกลางนี้เป็นเรื่อเรื่อชื่อของอะไรชื่อของสีนะเป็นชื่อของรูปพันรูปารมเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสเตอเบคา